มาากธรรมนั้นในสวนกี่คนนะทางนะก็มีพี่ที่จะไปดูอีกล้วค น, คนอ่ะอ่าดีจะได้มีที่ปฏิบัติกันฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็ยังไม่เกิดผลผลจะเกิดจากการปฏิบัติ การฟังเป็นการศึกษาให้รู้ว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นอย่างไรเมื่อรู้แล้วเราก็ต้องเอาไปปฏิบัติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศีลก็ศีล8ถ้าจะปฏิบัติธรรมก็ต้องศีล8ถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ศีลห้า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 ทำบุญแล้วก็รักษาศีลห้าก็จะทําให้ได้ไปสวรรค์ชั้นเทพชั้นต่างๆทําทมากก็ได้ชั้นสูงทําน้อยก็ได้ชั้นต่ำสำหรับคนที่ไม่มีภารกิจไม่มีภาระผูกพันคนที่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 ยุติกิจกรรมของนักบุญกิจกรรมของนักบุญก็คือยังไปเที่ยวไหนได้นักบุญนี่ไปท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงไปดูมหัศาศพได้แต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยงามได้ร่วมหลับนอนกับแฟนกับสามีกับภรรยาได้ยังหาความสุขทางร่างกายได้ สำหรับนักบุญนักบุญนี่เขายัางต้องอาศัยความสุขทางร่างกายเป็นเครื่องอยู่อาศัยเพราะเขายัางไม่สามารถไปเป็นนักบวชได้อาจจะเป็นเพราะไม่มีกำลังพอไม่มีกำลังที่จะรักษาศีลแปดหรือมีภารกิจที่จะต้อง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 ถ้าไปกังวันไม่เป็นไรอย่าไปกัางคนกัางวันยังไปซื้อข้าวซื้อของได้แต่ถ้ากันคืนนี่ก็ไปซื้อเนื้อกันเราไปซื้อเนื้อซื้อน้ำกันซื้อไปน้ำไปไปซื้อน้ำเมาดื่มไปหาความสุขทางร่างกายกัน อย่างที่วันก่อนโยมคนหนึ่งเขาพูดให้ฟังว่าคนดีนักกุณไปสวรรค์กันแต่นักบาปก็ไปพัทยากันนักบาปก็คือไม่รักษาศีลห้าเลยเดื่มสุรายาเมาประพฤติผิดเอาไว้นี่พัทยาเป็นแหล่งของก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 อย่างนี้เรียกว่าเป็นการประพฤติถูกตามประเพณีการประพฤติไม่ถูกประเพณีก็คือเหมือนสุนัขเดือนนะเก้าวเจ้ตัวไหนก็ก็ถือว่าเป็นเป็นแฟนกันเลยเป็นสามีเป็นภรรยากันเลยนะแล้วก็เป็นกันชั่วคราวเดี๋ยวพอไปเจอเอีกตัวหนึ่งก็ได้ตัวใหม่เป็นแฟนอย่างนี้เรียกว่า นักบาปไม่ใช่นักบุญนักบุญต้องรักษาศีลห้าให้ได้ศีลการเมีนี่ก็ต้องเป็นสามีเป็นภรรยากันถ้ายังไม่เป็นก็อย่าพึ่งไปลิอย่าพึ่งไปมีอย่าพึ่งไปทำตายไปจะได้ไม่ต้องไปเป็นเดชานี่พวกสุนักเดือนเก้าเห็นไหม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 ถ้าอ้างว่าไม่มีเลยก็จะไม่ให้อยู่เรื่อยๆพอมีมากก็จะไม่อยากจะให้เพราะห่วงก็เสียดายก็อาจจะไม่ได้ทําบุญก็ได้อย่างนั้นไม่ว่าเราจะมีมากมีน้อยเราสามารถให้กันได้ทุกคนให้ไปทีเราเล็กเทน้อยบาทสองบาท ทำทีละบาทสองบาททำไปเรื่อย เ, อยเดี๋ยวมันก็กลายเป็นร้อยสองร้อยเป็นพันสองพันขึ้นมาได้ไม่จาเป็นจะต้องรอให้มีเงินพันแล้วค่อยมาทำเพราะบางทีพอมีเงินพันแล้วมันเสียดายถ้าไม่เคยทำเลยมันจะเสียดายไม่อยากให้แต่ถ้าทำอยู่ทุกวันทำทีละเล็กทีละน้อยทีละบาทสองบาทพอมีมากก็ทาได้ไม่เสียดาย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 อันนี้ก็เรียกว่าเจริญสติธรรมานุสติเนี่ยสวดมนต์สวดพระธรรมคำสอนก็เรียกว่าธรรมานุสติหรือจะสวดบทพระพุทธคุณก็เรียกว่าพุทธานุสติบทสวดมนต์นี้เขาจะมีสามสามสติด้วยกันพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ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 ผู้ที่ไม่ทาพู้ที่ไม่รักษาศีลรอตายไปก็เลยต้องมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวบริเวณวัดมารอรับส่วนบุญของญาติพี่น้องที่ทำบุญอุทิศให้เหมือนขอทานข้างถนนแต่พวกที่ทำบุญพวกที่รักษาศีลได้ก็ก็ขึ้นเครื่องไปไปอเมริกาไปยุโรป ไปเที่ยวไปโลกทิพย์ไปสวรรค์ชั้นต่างๆพอเขาไหว้พระส่วนมนแล้วเขามีธรรมะคอยเตือนใจสอนใจว่าเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาดจากทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนเมื่อรู้ว่าจะต้องจากสิ่งต่างๆไปก็ไปหวงมันทําไมเอาไปทําบุญดีกว่า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 เป็นทรัพย์ภายในเรียกว่าบุญการทำบุญนี้ก็เพื่อเป็นการซื้อบุญซื้อเงินสกุลที่เราจะไปใช้เวลาที่เราออกเดินทางจากโลกนี้ไปทุกครั้งที่เราไม่ทำบาปก็คิดว่าเรากำลังจ่ายเบีย้ยประกันเบีย้ยประกันก็คือประกันไม่ให้เราไปเกิดในอบาย <c oughs> ไม่ต้องไปเป็น เดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นผีไม่ต้องไปนรกเนี่ยถ้าซื้อประกันประกันภัยห้าข้อนี้ศีนห้าข้อนี้รับรองได้ว่าตายไปแล้วจะไม่ไปอย่างแน่นอนนี่คือประกันภัยของของบริษัทของพุทธบริษัทบริษัทประกันภยัยที่มา วัดนี้ก็เพื่อมาซื้อประกันกันู้วมาจ่ายเบี้ยประกันกันแล้วก็มาจองโรงแรมมาจองตั๋วเรือบินอยากจะไปเที่ยวสวรรค์ชั้นไหนก็เลือกได้มีหลายชั้นด้วยกันสิบหกชั้นใช่ไหมสวรรค์เนี่ยสวรรค์ชั้นเทพนี่มีสิบหกชั้นยังไงก็เหมือนโรงแรมก็มีห้าดาวโรงแรมระ5ห้าดาวอยากจะอยู่โรงแรมระดับไหนก็เลือกจองเอาได้ แต่ค่าจอมันก็แพงต่างกันโรงแรมห้าดาวก็แพงหน่อยถ้าหนึ่งดาวก็ถูกหน่อย <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องจริงนะเนี่ยไม่ใช่เรื่องโกหกไม่ได้พูดเล่นๆใจเรานี่จะเป็นผู้ที่จะต้องออกเดินทางต่อไปถึงเวลาแล้วจะไปนี้จะบอกไม่พร้อมก็ไม่ได้จะบอกว่ายังไม่ได้ตีตั๋วก็ไม่ได้แล้วถึงเวลาเขา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 ไม่เคยคิดว่าจะตายเลยแต่อย่างน้อยเขาก็ยังดีเขาทำบุญเป็นประจาเขาไม่ได้ทำทุกวันแต่เขาก็ทำอาทิตย์ละครั้งทำทีก็ทำเยอะๆทาเหมือนกับว่ารวมกันเลยทำทีก็เหมือนก็ได้ทำเจ็ดวันเขาทำวันเกิดเขาเขาเกิดวันพุธเขาก็เลยทำทาทุกวันพุธก็ทำทีเยอะๆเลยไม่ใช่ทา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 ยังต้องไปอบายอยู่นะถ้าไม่อยากจะไปอบายนี่ต้องรักษาศีลห้าต้องไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตัวเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมากาจรจีงการดื่มสุรายาเมานี้มันไม่เป็นบาปแต่มันจะเป็นตัวที่ทําให้ไปทําบาปได้ง่ายขึ้นพอเมาแล้วมันความอายมันก็หมดไปฮิริโอตัปะมันก็ไม่มี ความอายบาปความกลัวบาปมันจะหายไปคนที่เมาแล้วมันไม่มันลืมเลยละลืมเรื่องบาปเรื่องบุญนะมันก็เลยทําให้กล้าทำบาปคนที่ทําบาปบางทีก็ต้องเดืมเสื้อราย้อมใจก่อนใช่ไหมบางทีเขาไปรับจ้างฆ่าคนอย่างนี้ก่อนจะไปฆ่าเขาก็ต้องกินเหล้าซะหน่อยกันกินย้อมใจราะงั้นเดี๋ยวฮิริโอต ป, ปะมันจะมายับยั้งได้ เฮ้ย hey, มึงอย่าทำนาะบาปนะแต่ถ้าพอกินโซลาจนไม่มีสติแล้วฮิริโอตับ ป, ปะมามันก็ไม่ได้มันก็ไม่รู้เรื่องแนะ้วเอถ้าอยากจะดื่มโซลาโดยที่ไม่ทำบาปก็ยังทำได้เอาผูกเอาโซ่มาลัดไว้กับเตียงก็แล้วกัน <c oughs> ดื่มใส่ก็นอนเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้ไปทำบาป แต่ก็ไม่ดีเสียเวลาแทนที่จะเอาเวลามานั่งไหว้พระสวดมนต์กลับมาดื่มสุราแทนเอไหว้พระสวดมนต์ก็จะได้หัดภาวนาเผื่อต่อไปอยากจะไปเป็นนักบวชจะได้ไปเป็นได้เพราะจะไปเป็นเพราะว่าการไปเป็นนักบวชนี่มันดีกว่าเป็นนักบุญนักบวญนี่ไปใสสวรรค์ที่สูงกว่า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 อยู่ในวังก็ทำบุญทำทานรักษาศีลไปแต่พอมาเที่ยวข้างนอกวังเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายก็เลยมีอะไรมากระตุ้นวาให้ต่อไปจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนยะจะทาอะไรไม่ได้นะั่นตอนนั้นหาความสุขทางร่างกายไม่ได้แนละ้วก็เลยไม่อยากจะเจอความแก่ความเจ็บความตาย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 ต้องเป็นนักบุญก่อนถึงจะขยับขึ้นไปเป็นนักบวชได้พวงนักบาปก็อาจจะมาเป็นนักบุญได้ถ้าไปคบกับนักบุญนักบุญช่วยมาทำบุญทำบ่อยๆเขาก็อาจจะติดใจก็ได้ชอบขึ้นมาเพราะทำบุญนี่มันมีความสุขกว่าทำบาปต่อไปพวกนักบุญก็จะเห็นความสำคัญของการ ถือศีล8ปเห็นความสำคัญของการภาวน า, านั่งสมาธิทำใจให้สงบฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาขึ้นมาก็ต่อไปก็จะหัดรักษาศีลแปกัน 8. วันพระก็มารักษาศีลแปตามที่พระเจ้าทรงสอนวันธรรมดาทรมาหากินก็รักษาศีลห้าไป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 หรือไม่ฉะนั้นเราก็ต้องจากมันไปถ้าเรารู้ว่ามันจะทำให้เราทุกข์เราไปเอามันมาทาไมอ้เาเกาเลียวหาเหามาใส่หัวทำไมอยากจะหาเหามาใส่หัวไหมหัวเราอาซาอยู่มันไม่สบายต้องเอาเหามาให้คันนะจะได้เก่านั่นแหละเวลาเราอยากได้อะไรขอคิดว่าเรากำลังไปหาเหามาใส่หัวหาความทุกข์มาใส่ใจ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 ร่างกายก็เหมือนร่างกายของคนอื่นนะเวลาร่างกายคนอื่นเขตายเราไม่เดือดร้อนไอ้ร่างกายนี้ก็เหมือนกันเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนได้เราอยากไปอยากให้มันไม่ตายเท่านั้นเองให้มันตายไปเลยเมึงอยากจะตายตายไปเลยกูไม่ได้ตายไปกับมึงกกลัวอะไใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ไปต่อทิ้งร่างกายไปไป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 หรือถ้าทำบาปร้ายกาจก็ไปติดคุกติดตารางในนรกฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าฆ่าคนด้วยความออาฆาตปยายบาทเคียดแค้นตรงนี้ไปตกนรกแต่ฆ่าเพื่ออยู่นี่ไปเป็นเดรัจฉานเช่นฆ่าฆ่าปลาฆ่านกเพื่อจะเอามากินเป็นอาหารนี่อันนี้เป็นก็ไปแค่เป็นเดรัจฉาน การฆ่าก็มีหนักมีเบาแล้วแต่ว่าฆ่าใครฆ่าคนที่มีพระคุณมากก็จะหนักมากฆ่าพระอาหารฆ่าพ่อฆ่าแม่นี้เป็นกรรมหนักที่สุดฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่านกฆ่าปลาเพื่อเอามาเป็นอาหารนี้ก็โทษแค่เป็นไปเป็นเดรัจฉานทําเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็เหมือนเป็นเดรัจฉานดีๆนี่เอง เดรัจานมันก็กินสัตว์เล็กสัน้อยกันเพื่อเพื่ อ, อยางชีพมนุษย์มนุษย์ถ้ามาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่ อ, อยางชีพมันก็เหมือนเดราชฉานมันก็ไปเป็นเดราชฉานแต่ถ้าฆ่าเพื่อให้น้ำให้โดยไม่ใช่ฆ่าเพื่อมากินอย่างเดียวฆ่าแล้วเพื่อจะได้มีเงินเยอะๆเปิดทําฟาร์มไก่ฟาร์มเป็ดฟาร์มอะไรฆ่ากันทีเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นแสนตัวอย่างเงี้ย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 ท่านก็ยังอยู่อยู่บนสวรรค์สวรรค์ที่ไม่ต้องลงมาเป็นมนุษย์พวกเทพที่อยู่บนสวรรค์ตอนนี้เดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาเป็นมนุษย์กันนี่คือเรื่องของการวินว่ายตายเกิดเรื่องของบุญของบาปเรื่องของกรรมถ้าเราไม่ได้มาวัดไม่ได้มาหาพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่รู้เรื่องราวเหล่ า, านี้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 เมื่อเห็นแล้วต้องไปเชื่อทําไมเ ม, มื่อเราตาดีแล้วยังต้องไปอาศัยคนตาดีพาเราไปไหนหรือเปล่าแต่คนตาบอดนี่ยังต้องอาศัยคนตาดีพาไปอยู่พวกที่เป็นนักบุญนี่ยังต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่พวกที่เป็นนักบวชนี่เดี๋ยวเขาก็เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาเองแล้วเขาจะไปเขาก็เชื่อในตัวเขาเองได้เขาเห็นเหมือนกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นคั น, น ขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธพระธรรพระสงค์ในตอนนี้ถ้าเรายังไม่เห็นตัวเวียนว่าตายเกิดตัวที่จะไป เ, เกิดในสวรรค์หรือนรกตัวที่จะไปนิพพานก็ขอให้เชื่อคนที่เขาเห็นแล้วไปแล้วแล้วปฏิบัติตามไปต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเห็นเองเห็นแล้วททนี้ก็จะไม่สงสัย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 แล้วต่อไปเราก็จะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอาหารหันตาสาวกไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปไม่ต้องมาร้องหมร้องไห้เวลาพัดพาคจากกันก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรอยะถ า, าวาเลวะหาปุราภาลิปุเรนติสาขลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจตุสัพเเอปุเรนตุสัง a ปาจันโทปนา a ราโสยทามนิจดีหระโสยทาสสะพีติโอวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุ มาเตผวะตวันตารายุสุขีทีขายุโกผวะอาพิวะธนาสีิทธะนิจังุทธาปจายิโนจตารุธมมาวะทานติอายุวันูสุขังภาลางใครต้องการหนังสือซีดีก็มาหยุดได้นะมีหนังสือเล่มใหม่ หนังสือประวัติอลงปู่ขาวลูกศิษย์ขลงปู่มั่นนะเขียนโดยหลวงตามหาบัวหนังสือซีดีแจกใครอยากจะถหายข้าวของก็ยังเข้ามาได้อยู่ใครอยากจะกลับก็กลับได้เดี๋ยวจะมีช่วงที่สองช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครอยากจะอยู่ฟังก็ยังอยู่ฟังได้ อยากจะถามปัญหาก็ถามได้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่แล้วตอนนี้สามร้อยยิแดแล้วยูทูบห้าสิบ 5้าสิบสี่แล้วเข้าถึงเท่าไหร่อูว่ายังเมบางวันนุ่งสี่แสนห้านะบางวันก็แค่หก0มื่นนะแปลกทำไมมันต่างกันลิบรับเลย17กหนึ่งเจ็ดครับอีกหนึ่งเจ็ดาแปนะบางวันก็แสนบางวันก็หมืน่น <laughs> รายการหนังสือซีดีก็หยิบได้นะ อันนี้สัญญาณดีมั้ยสัญญาณดีมั้ยช่วงย้ า, ายไม่ค่อยดีเลยแต่ ไ, ไม่หลุดใช่ไหม แพงมากเลยแผนมั่งก็ได้เนี่ยแผนแล้วแหละที่ในสวนมีกิจกรรมอะไรบ้างอ่ะตอนเช้ า, าสสมีไหว้พระสวดบ้างไหมบ้าง สี่มงนะสี่ห้าค่ะอ่า้วตอน้ามค่ะระหว่างวันก็ปฏิบัติ่าสองฟังธรรมนะคะบัอเย็นบเย็นก็อิจอ่งเลปฏิบัติอิะอ่มีที่มีร่มไม้ไหมสาหรับเดินจงกรมไหมมนที่เดินจงกรมไหม เดี๋ยวต่อไปอาจจะมีคนช่วยกันสร้างที่พักเพิ่มก็ได้ถ้าเห็นว่ามันดีให้มีที่เดินจงกลมไปดูแค่ที่เราทำอยู่บนเขาเนี่ยมีแค่มีทางเดินจงกลมอย่าอยู่ใกล้กันมากนะให้อยู่ห่างกัน เราทำขึ้นไปแล้วค่ะก็แบบว่าจะทำางเดินตโกงแบบที่หลวพ่อสร้างแล้วไม่ต้องนั่งก็ได้หระไม่ต้องนั่นั่งไม่ไหวก็เอาเอะเอนมด อาอยุเท่าไหร่นะ อ, อายุเจ็ิบเจ็ดจ็ดสิบเจ็ดไงาารยมีอายุยาวนานนะแล้ก็ภ <c oughs> าพแข็งแรงแต่ว <c oughs> างฉะ น, นั้นวางหัหน น้องสือซีดียืมได้นะท่านองการสอนที่ไหนสาขาไหนค<ะ>ุ้มควรค่าสาขาไหนอ๋อท่านเป็นคนของตั้งขึ้นเลยอะคะอ่ะอ๋อไม่ได้สอนแต่ท่านเคยสอนนะคะแต่ว่าขอตั้งมา ก็ตั้งศูนย์แรกมือไทย่ส่งเสริมกรพัฒนาธุรกจมา้อ่าอันนี้มีกี่สาขาแล้วล่ะเก้าค่ะเก้าเนวนี้ที่นี่ขึ้นกับของโกเรงกาต่างประเทศแรือปล่าคะขึ้นกับขึ้นกับของโกเรงกาต่างประเทศหรือปาหต่างสองวนตรงนี้ครั มาก็ให้ไปถ้าเอาไปแบบไม่มีไม่มีใครข อ, อก็ไม่ควรเอาไป เป็นนักบวชนเป็นนักบุญ ก, ก็เป็นนักบวชใจมันใจมันไเน่อยเหรอใจเป็นนักบุญแต่กายเป็นนักบว ช, นนบชนนบมีใครอยากจะถามอะไรไม้ม ใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะที่สวนใช้อะไรเป็นเครื่องฟังนะเอาน้ำพงน้ำพง<น>ต่อโทกกรศัพท์นะค่ะอ่าเชื่อมบูทนะเจค่ะอ่าสบายท่นกกานดูเปิดทางวิธีออนไลน์เจ้ค่ะ ตอนเย็นก็สวนมนว์ไหว้พระนั่งสมาธิถ้าอยากจะฟังทำก็ต้องมีเครื่องเครื่องเครื่องเล่นซีดีเปิดแต่ยังไม่ได้เปิดด้วยหลูกก็ใช้เครื่องเล็กๆงั้นก็ทำทให้เวลามีใครมาก็จะให้คอยติดเองก็จะทำคนจะฟังเนยฟังก็จะได้เกิดความเข้าใจจะได้รู้ว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกท่องเป็นยังไง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 เมื่อใจนิ่งสงบแล้วก็พร้อมที่จะรับปัญญาของพระพุทธเจ้าได้ละตันหาดับความทุกข์ได้ถ้านั่งแล้วไม่มีระกรกำกับใจเห็นหนู่นเห็นหนี่โผลดขึ้นมาก็เพิดเพลินไปกับสิ่งที่ให้เห็นแล้วก็คิดว่านั่นเป็นปัญญาไม่ใช่ปัญญานี้ไม่มามีไว้เพื่อมาตัดกิเลสตัดความโลภความโกรธความหลงตัดความอยากต่าง เวลาอยากกินกาแฟก็ต้องมีปัญญาเห็นว่ากินแล้วทุกข์อย่าไปกินกินแล้วติดเนี่ยที่มันทุกข์เพราะมันติดเวลาติดแล้วเวลาไม่ได้กินมันทุกข์ไม่เห็นกันบุหรี่ก็เหมือนกันกาแฟก็เหมือนกันดูหนังฟังเพลงก็เหมือนกันพอมันทําด้วยความอยากแล้วมันจะติดถ่ายรูป ก, ก็เหมือนกัน <c oughs> <laughs> ถ่ายแล้วมันก็ติด ถายเยอะ ย, ยเป็นพันแล้วมังเนี่ยพอไหมไม่พอถ่ายรูกเป็นพันยังไมไม่พอก็คนเก่าเนี่แหละหน้าเก่าเร <Okay. S 1> ิมใส่ชุดใหม่วันนี้ชุดดำพรุ่งนี้ชุดขาวเปลี่ยนสีนี่คือปัญญาปัญญาเพื่อตัดของพวกนี้ทําไปแล้วมัน ไม่เกิดประโยชน์ได้เวลาเวลาไม่ได้ทําก็ทุกข์เนี่ยเวลามือถือหายไปเนี่ยทุกข์เนี่ยต้องวิ่งหาซื้อเครื่องใหม่ไม่ได้อย่างรับรองได้ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยถ้าเครื่องเก่าหายไปเนี่ยภายในไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยต้อไปซื้อเครื่องใหม่ไปแล้วเดี๋ยวถามว่าติดไม่ติดเนีก่อนที่ก็ไม่ติดก็ช่างหัวมันไม่ใช้มันสักพักก็ได้่ คนที่กาแฟาหมดนี่เอาไว้วิ่งไปไปหาซื้อมาเตีมไว้ละเดี๋ยวถ้วยต่อไปถึงเวลาจะกินไม่มีกินไม่ได้นี่แหละคือตันหามันทุกข์เพราะทําให้ติดติดแล้วมันต้องกินต้องดูต้องฟังอยู่เรื่อยๆพอเวลาไม่ได้ดูไม่ได้ฟังแล้วมันจะทุกข์อยากจะรู้ว่าทุกข์เป็นไงมาถือศีลแปดดูเลยนั่นแหละตอนนั้นกําลังห้ามไม่ให้ไม่ให้ทําตามความอยากกัน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 เนื่องจากกลัวผีควรปฏิบัติอย่างไรคะอแล้วเวลานอนผีไม่ได้มาทําเราเลยมันจะมาทําเฉพาะตอนที่เรานั่งสมาธิเท่านั้นเนองคำถามจากคุณโสพิธตอนที่ลูกภาวนาสภาวะธรรมที่เกิดคือตัวตนหายไปพุทโธหายไปเหลือแต่ความรู้สึกว่าเรายังอยู่บางครั้งรู้สึกตัวเองหดลงเรื่อยๆก็ภาวนาพุทโธไป จนจิตถอนออกมาบางครั้งเหมือนตัวสูงขึ้นเรื่อยๆทําให้เกิดข้อสงสัยหลายอย่างเมื่อคือนนี้พิจารณาอสุภะจิตนิ่งไม่ไปไหนเลยแล้วจะไปต่อแบบไหนดีคะขอพระอาจารย์ช่วยเมตตาชี้แนะด้วยค่ะ เ, ออเวลานั่งก็ให้มันนิ่งนานๆอย่าใช้วิธีไหนก็ได้จะ ใ, ใช้พุโทโธก็ได้ใช้พิจารณาสุภะก็ได้<ม>เวลานิ่งแล้วก็ให้มันนิ่งไปนานๆอย่าให้มันไปเห็นอะไรอย่าให้มันไปคิดอะไร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 คำถามจากคุณมงคลข้อที่หนึ่งเจอธนบัตรหนึ่งพันบาทบนทางเท้าสาธารนณะหาเจ้าของไม่ได้จึงนำไปใช้ส่วนตัวผิดศีลรักทรัพย์หรือไม่ครับนั้นก็ยังไม่เป็นของเราอยู่แล้วเจ้าของขก็ยังไม่ได้อนุญาตให้เราอยู่ยันจะเรียกว่าผิดศีลก็ได้เพราะเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปใช้โดยที่เขาไม่ได้อนุญาตทางที่ดีก็เอาไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจหรือที่ไหนแล้ว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 เราใจเรานี่เหมือนเรือเรือนี้ถ้าเราไม่มีอะไรผูกไว้เรือมันก็ลอยไปตามกระแสน้ําถ้าเราต้องการให้เรือมันจอดนิ่งๆเราก็ต้องผูกมันไว้กับท่าใช่ไหมใจเราถ้าเราต้องการให้มันนิ่งเราก็ต้องมีอะไรผูกไว้มีพุทโธผูกไว้มีลมหายใจผูกไว้ดังนั้นเราอย่าไปบังคับลมเพราะถ้าเราไปบังคับลมนี้ทําให้ใจเราต้องทํางานเมื่อใจเราต้องทํางานมันก็จะไม่นิ่ง อย่าไปบังคับลมลมจะหายใจสั้นหายใจยาวก็เรื่องของมันให้รู้เฉยเฉยรู้ว่าตอนนี้ลมกําลังเข้าลมกําลังออกลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดให้รู้เฉยเฉยเท่านั้นเอ ง, <ST. S 1> งเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เ <ST. S 1> ข้าใจไหม <ST. S 1> ถ้าเราไม่ดูลม <ST. S 1> เดี๋ยวแล้วก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าคิดแล้วมันก็จะไม่สงบแต่ถ้าอยู่ก็ลมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะสงบเองคาถามจากคุณปานลมพรในความเป็นจริงในความเหมาะสมทิ่งพระหรือห้องพ้าควรตั้งในส่วนไหนของบ้านครับและควรตั้งไว้ที่เดียวกับห้องนอนไหมครับขอโอกาสระอาจารย์แนะนำครับก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะเห็นว่าอะไรเป็นเหมาะส ม, มก็ทำไปก็แล้วกันเราจะไปรู้ได้ไง ว่าอะไรมันเหมาะสมไม่เหมาะสมในบ้านของคุณคุณก็ควรจะดูเอาปรึกษากับคนที่เขาที่ไหนก็ได้หรอกถ้าเป็นห้องเป็นสัดส่วนได้ก็ดีเป็นอีกห้องหนึ่งเลยเหมือนเหมือนกับเรามีห้องนอนได้ทำไมเรามีห้องพระไม่ได้แล้วก็ทำห้องอีกห้องเป็นห้องพระไปเป็นห้องที่เราเหมือนกับเวลาเราไปโบสถ์อย่างเงี้ยไปศาลา่าเงี้ยก็จะมีเป็นห้องไปเลยถือว่าเป็นห้อง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 ดังนั้นถ้าอยากจะมีพระไว้ในห้องในบ้านก็จัดห้องไว้เลยทำห้องไว้สักห้องหนึ่งเอาห้องนอนมาเป็นห้องที่ไม่มีใครนอนมาทำเป็นห้องพระไปก็ได้เราจะได้มีที่ไปหลบมุมได้วันไหนเราอยากจะถือศีลแปดในบ้านเราก็เข้าห้องพระไปไปนอนในห้องพระเลยเหมือนกับญาติโยมที่มารักษาศีลแปดที่วัดเาก็ไปนอนในโบสถ์กัน เขาเรียกว่าออโบสดศีลไงโอโบสถก็แปลว่าโบสถไปรักษาศีลในโบสถ์ในวันพระกันถ้าเราไปวัดไม่ได้เรามีบ้านเรามีห้องพระเราก็ไปอยู่ในห้องพระในวันพระก็ได้คำถามจากคุณแสงดาในเวลาที่เรากำลังทำกิ จ, จา ก, การงานอยู่บ้า ง, างบางครั้งในใจจะสวดมนต์ในบทที่สวดก่อนนอนเช่นพระไตรปิฎก พระปริบตต่างๆในขณะที่มีอารมณ์ที่สวดมนต์ในครั้งแรกไม่สบายใจว่าตัวเองผิดปกติแต่มาภายหลังเมื่อมีอารมณ์นั้นปรากฏรู้ในอารมณ์สวดด้วยความตั้งใจจึงมีปิติยินดีกับเรียนถามพระอาจารย์ว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องควรทำอย่างไรเจ้าคะก็สวดมนต์ไปก็เป็นวิธีทำใจให้สงบนะวนแล้วมีปิติมีความสุขก็ถูกต้องแล้วทาไป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 บางวันด้วยเวลาล่วงเลยการสวดมนต์หากกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสร็จแล้วเข้านั่งทำสมาธิเลยได้ได้ไหมเจ้าคะอันนี้สงการละลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะลดน้อยลงสดถอยหรือไม่คะเ๋อไม่หรอกการการนั่งสมาธินี้ก็เป็นการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยตรงอยู่แล้วเรียกว่าปฏิบัติบูชาเนั่ยจะกราบหรือไม่กราบจะลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ถ้าเรานั่งสมาธิได้เนี่ยถือว่าเราได้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วคําถามจากคุณแอเวลาผมนั่งสมาธิแฟนผมมักเดินเข้าออกห้องผมได้ยินเสียงเดินได้ยินเสียงเปิดประตูบางทีก็รู้สึกกลับรู้สึกแล้วก็กลับมาพูดโธต่อได้เลยแต่บางวันก็กลับมายาก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 ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าเพิ่งเข้ามาดีกว่าที่นั่งตรงไหนรอให้การฟังเทศฟังธรรมเสร็จก่อนแล้วค่อยเดินเข้ามาก็ได้อย่ามารบกวนคนที่กำลังฟังเทศฟังธรรมเพราะมันจะทำให้ขาดตอนเวลาฟังเทศนี้มันต้องฟังอย่างต่อเ น, นื่องเหมือนดูภาพยนตร์ถ้าดูภาพยนตร์แล้วแวบไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยออกมาไม่รู้ภาพยนตร์มันไปถึงไหนแล้ว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 รออยู่ข้างนอกก่อนรอให้เขาฟังเสร็จก่อนแล้วเราค่อยเข้ามาแล้วถ้าจะเข้ามาก็ต้องย่องเข้ามาเงียบๆแบบไม่รบกวนใครก็ทําได้แต่ไม่ใช่เดินมาแบบส่งเสียงกระทึกคึกโคลถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ควรที่จะทําคําถามจากคุณพาราเกิดอารมณ์น้อยใจขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวแล้วได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทํำ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 ผมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าเพราะบางทีมาถึงจุดหนึ่งคาบริกรรมเหมือนจะหายไปแต่จิตก็เริ่มสบายก็ฉุกขึ้นฉุกคิ ด, ข, ข, ด ข, ขึ้นมาว่าคาบริกรรมกำลังจะหายก็เลยกลับมาบริกรรมทำอย่างนี้ถูกไหมครับก็้าบริกรรมนี่ถ้ามันจะสงบจริงๆมันจะแบบว่าวุบลงไปเหมือนตกลุมตกบ่อแล้วคาบริกรรมมันก็จะหยุดไปเองแล้วใจก็จะมีความสุขมากมีความสงบนะ แต่ถ้าเราบริกรรมไปแล้วเราจะหยุดมันเองเนี่แสดงว่าบางทีเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราขี้เกียจเราก็หยุดมันก็จะได้ไปแค่ถึงตรงจุดนั้นยังจะไปเลอกกว่านั้นไม่ได้ถ้าเรายังบริกรรมได้โดยที่คาบริกรรมมันไม่หยุดเองหยุดแบบสะดุดถ้ามันหยุดแบบสะดุดเช่นมันตกลุมตกบอ่อแล้วมันหยุดถ้าหยุดอย่างนั้นไม่เป็นไรยหยุดได้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 อาชีพนี้จะทำให้สงผลกรรมอย่างไรครับอาจจะต้องไปเป็นลูกไก่ให้เขาเลี้ยงไปส่งทำบันไดไว้ก็ต้องกลับมาเป็นของเราแหละจะทำกรรมบันได้ไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นขายลูกไก่ต่อไปก็ต้องไปเป็นลูกไก่ให้เขาขายคาถามจากคุณธีราวุฒ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 รากที่เคยที่พระพุทธเจ้าเคยอยู่เคยเกิดเคยกินเคยตายเท่านั้นเองแต่ถ้าเราอยากจะเห็นตัวจริงของพระพุทธเจ้านี้เรานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมไปแล้วพอมีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงที่ไม่มีวันตายอยู่ในใจของเราเองคำถามจากคุณวีรพรการที่เราได้พลั้งเผลอทาผิดไป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 าค า, มม ถ, าถามจากคุณชาร์ฟใช้ยุบหนอ่อพ้องหนอมําสมาธิได้ไหมคะเราควรสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิหรือนั่งสมาธิก่อนสวดมนต์แบบไหนจะได้ผลดีกว่ากันคะ อ, อ๋อการสวดมนต์นี่เป็นการเตรียมใจให้นั่งสมาธิแต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้ก็ไม่ต้องสวดเลยก็ได้แต่อย่าไปสวดหลังจากที่เรานั่งแนละ้ว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 จะได้อุเบกขาจะได้อัปปนาสมาธิฉะนั้นการนั่งนี้จะได้ผลดีกว่าการเดินแต่บางทีก็ต้องเปลี่ยนเอริยาบทเพราะว่าเรานั่งทั้งวันไม่ได้ถ้าเรานั่งไปนา น, านเราเมื่อยเราก็ลุกขึ้นมาเดินเปลี่ยนอิริยาบทยืดเส้นยืดสายขณะที่เราเดินเราก็จะเริยนสติไปรักษาใจรักษาสติไว้พอเราเดินหายเมื่อยแล้วเราก็กลับมานั่งใหม่ถ้าเรามีสติต่อเนื่องเดี๋ยวจิตก็รวมเข้าสู่ ความสงบเป็นสมาธิได้เพราะจะทําให้อายุสั้นหรือควรให้คนอื่นร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยอันนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมใช่ไหมครับออไม่ถูกหรอกการทําบุญจะทําคนเดียวทําหลายคนก็ได้ทําคนเดียวก็ได้ไ ด, ได้เต็มร้อยถ้าเราทําคนเดียวถ้าให้คนอื่นเข้ามาร่วมเขาก็แบ่งไปเพราะเราทําน้อยงนงเช่นเราจะทำแสนหนึ่งคนอื่นเข้ามาขอร่วมสักห้าห 0,000 ื่น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 ดูให้จนกระทั่งทนไม่ไหวหรือมันรวมลงไปถ้ามันรวมแล้วมันสงบมันก็จะนั่งได้สบายไปอีกงานถ้ามันไม่สงบเดี๋ยวมันทนไม่ไหวมันก็ต้องลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วก็มาเจริญสติใหม่ม า, มาพุทโธมาตั้งสติใหม่แล้วพอถึงเวลาก็กลับไปนั่งใหม่คําถามจากคุณแอม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 คำถามจากคุณพิพัฒน์ผมนั่งสมาธิผมจะได้บุญใหม่ครับเพราะศีลห้าผมไม่ครบครับถ้าศีลห้าไม่ครบนั่งสมาธิมันก็คงจะไม่ได้ผลเพราะจิตมันจะสงบยากคนที่ทําบาป น, นี้จิตมันจะวุ่นวายมันจะทําให้สงบยากดังนั้นก่อนที่จะนั่งสมาธิให้สงบได้ต้องศีลต้องบริสุทธิ์ก่อนต้องรักษาศีลให้ได้ก่อน คำถามจากคุณแอ น, านนานทีนานนานทีผมจะดูดบุหรี่ถ้าไปเจอกวนเพื่อนแค่ดูดบุหรี่นะครับไม่ได้ดื่มของมึนเมาเพราะผมเห็นว่าไม่ผิดศีลเห็นพระอริยะเจ้าหลายองค์ก็สูบไม่น่าจะบาปแต่พอผมเจ็บคอก็ไปขอยาแฟนกินแฟนเป็นเพศสตัตวแฟนผมบอกว่าทำร้ายตัวเองทำไมทำทำให้มันบาปหนะัก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 เช่นเวลาเจ็บคอนี่ก็ดูดไม่ได้งั้นก็ถ้าเราจะสูบสูบด้วยไม่โดยไม่มีความอยากก็ไม่เป็นไรเช่นมีใครก็หยิบมายื่นให้เราสูบอ่ะเราก็สูบไปมวนอย่างนี้แต่อย่าไปสูบเพราะความอยากเพราะสูบด้วยความอยากแล้วมันจะติดแล้วมันจะสูบมากแล้วมันก็จะทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้แต่ถ้าสูบพอหอมปากของคอ มวสองมวลอะไรอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหมแล้วค่ะมดแล้วเหรออว่อามาคำ <c oughs> ว่าอาวิชชาครับอยจะทราบควาหมายครั บ, บวิชาแปลว่าความรู้รอวิชชาก็คือความไม่รู้ความไม่รู้ที่นี้ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้สุขรู้ทุกข์ว่าเกิดจากอะไร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 อยากจะฉลาดก็ต้องฟังเทศฟังธรรมถึงจะมีวิชาเพราะว่าวิชาทางพุทธศาสนานี้เป็นวิชาที่สอนเรื่องสุขเรื่องทุกข์จริงๆวิชาทางโลกนี้ไม่ได้สอนอต่อให้เป็นด็อกเตอร์จบด็อกเตอร์มาก็ยังทุกข์ได้อยู่เพราะยังไม่รู้ต้นเหตุของความทุกข์ว่าคือความอยากแต่ถ้ามาฟังธรรมมินธรรมะเนี่ยจะรู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์คือความอยาก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 หมดความอยากอ่หมดก้อนอยาก <c oughs> สามตัวเนี้ยกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็อยากดื่มกาแฟาก็เลิกดื่มก็อยากเที่ยวก็เลิกเที่ยวเก็อยากจะมีแฟนก็เลิกมีแฟนต้องเลิกหมดความอยากต่างๆเราจะได้ไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆครับคำถามต่อไปก็ถ้าในเคสที่ว่าเราทราบว่ า, าสินห้าอย่างเช่นข้อการดื่มสุรา ของคนเมาเนี้ยครับมันมันเป็นมันผิดศีลแต่เราก็ยังทําอยู่กับคนที่เขาเขาไม่ทราบครับว่าตัวเนี้ยมันผิดศีลเนี่ยอืการที่เราจะได้รับผลของการกระทำเนี่ยมันจะเท่ากับคนที่ที่รู้ว่าผิดศีลกับคนที่ไม่รู้นี่เท่ากันไหมครับผลเท่ากันถ้าทําผิดมันก็ผิดเท่ากันรู้หรือไม่รู้ก็ผิดเท่ากันต่างงองที่ว่าคนรู้นี่ยังมีโอกาสที่จะเลิกได้ แต่คนที่ไม่รู้เขาก็า จ, จะไม่เลิกเขาก็ทําของเข้าไปเรื่อยๆเพราะก็ไม่รู้เหตุของปัญหาของเขาว่าเกิดจากการดืม่มโซราคนที่รู้เหตุว่าปัญหาเกิดจากการดืม่มโซราถ้าเขาอยากจะแก้ปัญหาเขาก็ไปเลิกดื่มโุรายังรู้ดีกว่าไม่รู้เป็นแต่ว่ารู้แล้วยังเลิกไม่ได้ก็ยังไม่เกิดประโยชน์เท่านั้นเองแต่มันก็เป็นจุดที่จะนําไปสู่การกระทําต่อไป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 พระอาจารย์นิพนธ์ที่วัดตาสนาน้อยจ้าพนเพื่อนานสายดีดีไปอยู่วัดอย่างนั้นดีก็น่าจะช่วงมัมมันปลายปีนี้ครับอนุญาตจะเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการอพวกบัญชีธนาคารอะไรเงี้ยสำพระเนี่ยจําเป็นต้องมีไหครับหรือเราคนอ่อถ้าเราบวชใหม่นี่เราคนไม่มีอะไรเลยแต่บวชไปแล้วต่อไปมันมีมาเองก็นั้นอีกเรื่องนึ่ง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 สร้างวัดสร้างกุฏิอะไรต่อไปไมันมีความจําเป็นจะต้องใช้แนะโอกาสต่อไปก็เก็บไว้ได้แต่อย่าเอามาใช้ตามความอยากก็แล้วกันก <S <S ต้องระวังจจะให้มีวิยวิจารณ์ได้แล้วเราต้องเราต้องระวังด้วยว่าเราจะใช้เงินตามความอยากหรือไม่ถ้าจะใช้เงินตามความอยากก็ <S <S 2> <S 2> อย่าไป ม, มีมันแต่ถ้าใช้ตามความจําเป็นก็ใช้ได้เงินต่อไปกุฏิพังอะไรอย่เงี้ย ปกติต้องซ่อมมีเงินก็ดีใช่ไหมมันจะได้ไม่ต้องไปรบกวนญาติโยมไปขอเขาแต่ถ้าไม่มีก็ต้องทนอยู่ไปตามสภาพไปก็ไม่เป็นไรเป็นพระไม่ไม่ต้องมีเงินก็ได้อาบวดใหม่ๆอย่าไปมีเลยดีกวา่าเป็นหนวงตาหลวงปู่หลวงตาแล้วจมีกันนั่นอีกเรื่องหนึ่งแล้วอบวชใหม่นี้อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเงินเท่าอย่าดีกว่าถ้า ไ ม, ไม่ต้องกลัวละมีมีญาติอยู่มีเป็นพระนี่เขามีคนดูแลทุกอย่างโรงพยาบาลก็ฟรียาก็ฟรีทุกอย่างฟรีหมดช่วงที่พระอาจารย์อยู่กับหลวงตาที่วันบรัดพระอาจารย์นิพนธ์อยู่ช่วงนั้นได้ไหมครับท่านไม่ก็อยู่ที่วันตายในช่วงที่เราอยู่นะท่านอยู่กับพระอาจารย์รูปอื่นจําไม่ได้ท่านอยู่กับใครท่ามีหลวงปู่ลีอยู่ช่วงนอ้ แต่รู้จักท่านเคยเห็นท่าเห็นท่านเคยไปวัดป่าม่นตาแต่ท่านไม่ได้ไปอยู่ประจําเคยพบปะกันรู้สึกพรรษาจะเท่ากันตั้งแต่ท่านบวชก่อนหรอก่อนวันอตอนนี้ท่านษาท่านสี่สิบนะครับท่านบวชตอนอายุยี่สิบเก้าประมาณหกสิบเก้าปอสอนเท่าไหร่จำได้วันปีที่ท่านบวชปีท่านบวชท่านเปิดปีเก้าสิบน่าจะประมาณปี ปีหนึ่งเก้าเลยคใช่ครับประมาณปีหนึ 18, ่งเกาหนึ่งแปดหนึ่งเก้าชวนะครับถ้าหน<บ>ึ่งเก้าก็หลังเราเราบวชหนึ่งแปด 18, แต่เราจําได้เราเราถือท่านเป็นอาวุโสกว่านะแต่ไม่รู้จําไม่ได้แนละ้วเพราะไม่ได้เจอกันนานไม่ได้กล่าวกันมานานก็เลยไม่รู้ว่าใครแก่กว่าแต่เราบวชหนึ่งแปด 18. ถ้าท่านบวชหนึ่งเก้าท่านก็อ่อนกว่าเราบวชบวชหลังเราไม่มัน่นใจว่าท่านเกิดปีแปดเก้าหรือเก้าศูนยะ์ ถ้าไม่เป็นไรนะของนี้เจอกันถามกันได้เอแต่ก็ตอนที่ท่านบวชนี่ท่านบวชตอนอายุยี่สิบเก้าอ่ะครับแล้วก็บวชยี่สิบเจ็ดโอเคดีก็ล้ ว, ลวไปบวชต้องไปอยู่วัดป่าที่มันไกลๆบ้านอยู่ที่นี่มันใกล้บ้านแล้วกว็วัดนี้ก็เป็นแบบครึ่งป่าครึ่งบ้านมันก็เลยมันก็ อ, กอาจจะไม่ เหมาะกับแบบผู้ที่เริ่มบวชเพอเดี๋ยวไม่รู้สับสนไม่รู้จะเอาบ้านดีเอาป่าดีดีก็มีเหมือนเป็นพี่ที่เคารกันข้งางบวชเม่อปีที่แล้วได้ภรรษาเนี่ยครับเออยู่ท่า น, าานจำได้ยิน ว, ว่าที่นั่นก็เป็นวัดที่ค่อนข้างที่จะสงบอยู่ห่างไกลถ้ามีพักต่างชาติหลายรูปถ้ามีพระอินเดียอยู่รูปหนึ่ง ไม่มีครับตอนนี้มีแคนนาดาสองลูปแคนนาดาเป็นแขกก็่เป็นเชื้อาติเชื้อแขกพระอาจารย์คีด้าเนี่ยนะครับท่านน่าจะมาจำได้แต่ช่วงที่ก่อนเข้ามาษาท่านยังอินเดียครับแล้วกคจําด้วยแล้วติดต่อกับท่านอยู่แล้วก็มีชาวเนปาลเพิ่งจะมาขอบวชอีกหนึ่งรูปครับก็พระอาจารย์คีด้าเป็นผู้รับรองมาแล้วท่านจะบวชยาวก็ดีไปบวชที่นั่นแหละน พระปางศาลนี้ประมาณสิบเอ็ดสิบสองรูปอ่ะยิ่งห่างไกลบ้านเท่าไหร่ยิ่งดีใกล้บ้านเดี๋ยวคนที่บ้านก็จะมาเยี่ยมนะเดี๋ยวก็ทําให้เกิดอความความอารมณ์ต่างๆเป็นมาได้ที่แรกไหมก็ที่ที่จะเลือกก็วัดแสงธรรมวังเขาเขียวะครับพระอาจารย์โสภาครับเห็นบอกมาค่อนข้างใกล้บ้านใกล้บ้านแล้วคนเยอะคนเยอะด้วยต้องไปวัดไกล ยดีกว่าทางญายๆก็อยู่ดอดรแล้วก็พ่อเป็ น, นคนอดรนะอ่ะก็ดีนะแต่จินใจถูกแล้วนะพยานตั้งใจเมื่อบวชแล้วก็ต้องทำหน้าที่ของนักบวชให้เต็มที่จะมันจะได้ไปรอดอถ้าทำแบบครึ่งๆกลางๆนี่ <c oughs> เดี๋ยวมันจะไปไม่รอด <c oughs> เอาจริงเอาจังสู้ไม่ถอยครับพอดีเมื่อวานผมไปกลับหลวงพี่ที่ที่ทูุ้จักกนัน ของปูชาคือไม่ใช่ตัวสิทว่าท่านบวชที่วัดหลวงปูชาครที่ที่วัดหลวงป้าโภท่านก็พันษาบันติบวชพรรษาท่านก็บอกว่าถ้าไม่ใช่บวชก่อนเข้าพรรษาอีกแล้วอ่ะก็แนะนําว่าให้รอไปจนก่อนเข้าพรรษาหน้าไปเลยไม่จำเป็นให้ยังเป็นทำไ ม, ไ ม, มต้องรอทั้งวาันรอพร้อมเมื่อไหรก็บวชไปเลยพูดทดลองว่าเหตุผลก็คือถ้าการบวชช่วงก่อนพระพรรษากับการบวช เช่นผมจะบทปลายปีเนี่ยครับมันจะต่างกันทั้งแต่ว่าอจนกว่าจะเข้าพรรษาเนี่ยทําให้บางทีจิตเราจะอาจจะแพ่แบบอยากสึกได้อะไรเงี้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันอยากจะเสกมันเสกได้ทุกวันเนะนอกพรรษาในพรรษาเกิดมันอยากจะเสกมันก็เสกได้ที่มันอยากจะเสกเพราะมันไม่ปฏิบัติไงมันปล่อยให้ใจฟุ้งไปตามอารมณ์ต่างๆมันก็เลยอยากจะเสก ถ้าตั้งใจปฏิบัติไม่ปล่อยให้ใจมีอารมณ์กับเรื่องต่างๆมันไม่เสือกหรอกไม่เกี่ยวกันครับพรออาจารย์นิพนธ์ท่านก็บอกให้ผมบวชในพรรษา น, นี้เลยแต่ว่าพอดีผมยังเคลียอะไรไม่เรียบร้อยบวชเมื่อไหร่ก็ได้ในพรรษานอก<ม>พอรรษาขอให้มันพอเมื่อไหร่ก็บวชไปเลยสําคัญที่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติเท่านั้นนะบวชแล้วไม่ปฏิบัติบวชช่วงไหนเดืยนมันก็เสือกได้ทนะั้งนั้น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 พระที่วัดทาวัดเช้าทําวัดเย็นตอนกี่โมงครับและก็และก็เป็นผ้าขาวกี่วันถึงบวชได้ครับที่วันนี้เลยออที่วันนี้บวชง่ายเพียงแต่ว่าต้องรอวันที่เขาจัดให้บวชคือที่วันนี้จะจัด บ, บวชหมู่กันก็ต้องรอเวลาที่มีคนมาสมัครบวชเยอะๆแล้วเขาก็จะให้บวชกันทีหนึง่งดังนั้นก็ต้องไปติดต่อทางมพระที่เขาดูแลเรื่องบวชว่ามีวันบวชหรือ ย, ยัง ถ้ามีแล้วเขาก็ให้มาอยู่ก่อนเจ็ดวันก่อนจะบวชมานุ่งขาวหวงม์ขาวมาปฏิบัติเหมือนกับเป็นพระอยู่เบื้งหน้าก่อนออกไปช่วยพระบินดบาดกินเมื่อเดียวลงบวชไหว้พระสวดมนต์พร้อมกับพระทำทุกอย่างเหมือนกับพระเพื่อจะทดสอบดูว่าจะทำได้ไั้ยจะอยู่ได้ไหยแล้วพอพอถึงวันบวชก็บวชได้เลยทีวันนี้ก็ตีสี่ก็จะตีะระฆังให้ลงบวชแต่เขาจะเริ่มสวดประมาณ ตีสี่กว่าให้ไปนั่งสมาธิก่อนแล้วก็พอตีสี่คึ่งใช่ไหมเดีย๋ยวนี้สี่ครึ่งก็จะสวดมนต์กันตอนเช้าเสร็จสวดเสร็จก็ไปเตรียมตัวบินธบาตถ้าญาติโยมก็ไปเตรียมตัวจัดอาหารมาใส่บาทส่วนตอนเย็นก็ลงโบสถ์ตอนหกโมงเย็นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิประมาณทุ่มครึ่งก็เลิก ก็มีกิจวัตรสองเวลาในวัดนี้คําถามจากคุณชัดพิมลข้อที่หนึ่งการที่ลูกนั่งภาวนาพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆปักพักลมหายใจจะสั้นลงจนเหมือนจะหายใจไม่ออกและเหมือนคำโมริกรรมพุโทโธจะไม่มีลูกก็เลยไปดูลมหายใจแทนดูที่ลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆจนมันถอนเอง อย่างนี้ถูกหรือเปล่าเจ้าคะแล้วต้องทําอย่างไรต่อไปเจ้าคะก็ดูไปเรื่อยๆอย่าอย่าอย่าให้ม mm ัน hmm. ถอนออกมาให้ม <old> ันรวมเข้าไปถ้ายังไม่รวมก็ดูต่อไปพยายามดูเฝ้าลวมไปจนกว่ามันจะรวมมนั่งต่อไปไม่ได้ก็เลิกแล้วก็พยายามกลับมานั่งใหม่กลับมาสร้างสติให้มีมากขึ้นเวลาที่ไม่นั่งก็ให้มันพุทโธพุทโธหรือหมั่นดูการกระทําของร่างกายจดจ่ออยู่กับการทํางาน อย่าไปปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้รู้เฉยๆให้รู้ว่ากำลังทำนั่นทงนี่หรือให้รู้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแต่อย่าไปคิดถึงคนนั่นคนนี้เรื่องนั่นเรื่อง น, น, องนี้ถ้าจะคิดใกล้คิดกับเรื่องที่จำเป็นเรื่องงานเรื่องการเท่านั้นแล้วพอมีเวลานั่งก็กลับมานั่งดูลมต่อจนกาจิตมันจะวุบลงไปน่งสงบก็ถึงจะได้ได้สมาธิขึ้นมาข้อที่สอง ถ้าให้ผู้ป่วยนับฟังพระสูตรก่อนตายผิวพัรุ์จะเปล่งปังจริงหรือไม่เจ้าคะก็ลองดูสิปัจ <laughs> จุบันยังไม่ตายนั่งยังไม่เปล่งปั่งเวลาจะตายก็นั่นเปล่งปังใครมันรู้ไปเลย <laughs> การฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ได้ให้นัง่งกายเปล่งปลังให้จิตใจเปล่งปลังให้จิตใจมีแสงสว่างแห่งธรรมประคับประครองใจไม่ให้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย คำถามจากคุณธามนในแต่ละวันพิจารณาแล้วตัวเราก็รักษาศี่ห้าครบแต่ถือว่าเป็นการรักสินสรักษาศีลแล้วใช่หรือไม่คะหรือจําเป็นต้องกล่าวอาราธนาศีลในแต่ละวันก่อนเ อ, อไม่ต้องกล่าวแล้วอาราธนาศีลนี่กล่าวหนึ่เดียวก็พอต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าไปตลอดชีวิตนี่ก็จบละแล้วก็ต้องรักษาให้ได้ทั้งเอง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 รู้สึกว่าร่างกายของเราไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าค่ะอันนั้นก็เรียกว่าเป็นการพิจารณาร่างกายเป็นปัญญาแต่จะปล่อยได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ว่ามีสมาธิหรือไม่มีถ้ายังไม่มีสมาธิก็นั่งสมาธิก่อนอย่าเพิ่งไปพิจารณาอย่านั่งถ้านั่งสมาธิก็อย่าไปพิจารณาให้อยู่กับลมอย่างเดียวแรืว อ, อยู่กับพุทโธอย่างเดียวให้จิตรวมเป็นสมาธิก่อน